สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันที่ผมตื่นขึ้นมาแล้วก็พบกับเสียงฟาร้องและฟาแลบพบกับฝนที่ตกมาตลอดคืนพี่น้องครับพระธรรมหนึ่งพงกษัตริย์บทที่19ข้อที่1จนถึงข้อที่9ซึ่งเป็นพระคัำพีเดียวกันกับเมื่อวานนี้นะครับแต่ผมจะเน้น ในเรื่องของชีวิตของเอลียาห์หลังจากที่เขามีประสบการณ์ขับพระเจ้ามาอย่างน้อยสามเรื่องราวใหญ่ๆด้วยกันโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าอาหับทรงเล่าทุกสิ่งที่เอลียาห์ทำให้พระนางเยเซเบลฟังและเล่าถึงการที่เอลียาห์ประหารพูดทํานายของพระบาอันทั้งหมดด้วยดาบดังนั้นเยเซเบลจึงส่งคนมาแจ้งเอลียาห์ว่าขอให้พระทั้งหลายจัดการกับเราอย่างสาหัส หากภายในพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้เรายังไม่ปลิดชีวิตเจ้าเหมือนที่เจ้าทำกับคนของเราเอลียากวจึงหนีเอาชีวิตรอดเขาไปยังเบเอเชบาในยูดาและทิ้งคนรับใช้ของเขาไว้ที่นั่นส่วนเขาเองเดินทางเข้าไปในถิ่นธุรกันดารแก่ลาพังร่อนแรมตลอดวันแล้วเขาพบต้นซากต้นหนึ่งจึงนั่งลงใต้ต้นซากนั้นและอธิษฐานให้ตัวเองตายเสียเขากล่าวว่า ข้าแต่องค์พระบุญเจ้าข้าพรงทนมามากพอแล้วขอทรงเอาชีวิตของข้าพรงไปเถิดข้าพรงก็ไม่ดีไปกว่าบรรพบุรุษของข้าพรงแล้วเขาก็นอนลงใต้ต้นซากและหลับไปท่านได้นมีทูตสวรรค์องค์หนึ่งมาแตะต้องตัวเขาและบอกว่าจงลุกขึ้นและรับประทานอาหารเอลิยามองไป ร, บรอบๆและเห็นว่ามีขนมปังผิงอยู่บนก้อนหินร้อนๆและมีน้ำเหยือกหนึ่งอยู่ข้างศีรษะ เขาจึงรับประทานขนมปังดื่มน้ำแล้วล้มตัวลงนอนอีกทูตของพระเจ้ามาอีกครั้งหนึ่งและแตะต้องตัวเขาและบอกว่าจงลุกขึ้นและรับประทานอาหารเพราะการเดินทางครั้งนี้เกินกำลังของท่านเอรยาจึงลุกขึ้นรับประทานและดื่มทำให้เขามีกำลังวังชาพอที่จะเดินทางเป็นเวลา40วัน40คืนจนมาถึงโฮเรบ ภูเขาของพระเจ้าเขาเข้าไปพักแรมค้างคืนในถ้ำแห่งหนึ่งที่นั่นพี่น้องครับเราคิดถึงผู้รับใช้พระเจ้าคนหนึ่งที่เข้มแข็งและพระเจ้าใช้นั่นคือเอลียาผู้เป็นประกาศกของพระเจ้าเป็นผู้พยากรณ์เป็นผู้เผยโพรจนะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่เข้มแข็งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ลำธารเคริดที่หมู่บ้านสาไราฟัตและ ที่ภูเขาคาราเมลนั้นเป็นเหตุการณ์3ามเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นในชีวิตของผู้รับใช้อย่างเช่นเอริยาแต่ในที่สุดครับถูกคุกคามคู่เอาชีวิตจากพระนางเยเซเบลพี่น้องครับนางเยเซเบลนี้เป็นมเหสีของกษัตริย์อาหับในขณะเดียวกันครับเราเห็นว่าอย่างน้อยๆ น, นะครับพระนางเยเซเบลนั้น เอากริย์อาหับอยู่ครับหมายความว่านางมีเสน่ห์เพียงพอที่จะผูกมัดใจและโน้มนำสามีของตัวเองให้มากราบไหว้รูปเคารพด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเหตุการเมืองก็ดีหรือเหตุความเสน่ห์การมีเสน่ห์ของสุภาพสตรีหรือผู้หญิงเช่นนางอย่างไรก็ตามครับสิ่งที่เกิดขึ้นที่ภูเขาคาเมลนั้นมิอาจที่จะทําให้อิทธิพลของ การกราบไหว้นมะัสการพระบาอันนั้นได้หยุดลงหยุดลงอย่างสิ้นเชิงท่านหมายความว่ายังมีเชื่อก็คือผู้นําของชนชาติอิสราเอลคืออาหับและพระนางเยเซเบลนั้นยังสนับสนุนซัพพอร์ตเรื่องของการกราบไหว้รูปเคารพพระบาอันอยู่แม้ว่าพระบาอันนั้นได้ถูกทําลายไปแล้วและบรรดาผู้เผยพระชนะเทียมเท็ดของพระบาอันก็ได้ถูกกําจัดไป เยเซเบลก็ส่งคนมาแจ้งกับเอลิยาว่าขอให้พระทั้งหลายจัดการกับเราอย่างสาหัสหากภายในพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้เรายังไม่ปิดชีวิตเจ้าเหมือนที่เจ้าทํากับคนของเราแท้จริงแล้วหากพระนางเยเซเบลต้องการปิดชีวิตของเอลิยาจริงๆไม่ต้องขู่ครับแต่การขู่นี้มันมีผลทําให้ประชาชนอิสราเอลนั้นก็ไม่กล้าที่จะเข้าข้างเอลิยา エリアนั้นดูเหมือนว่าจะสูญเสียกำลังใจไปเยอะเพราะเนื่องจากว่าในที่สุดแล้วประชาชนแม้ว่าเขาจะเห็นเขาจะหันมานมัสการพระเยโฮวาและทำลายพวกผู้พยากรของพระบาอันจนหมดไปแต่ก็ยังเรียกว่าเป็นการสงครามหรือการรบที่ยังไม่เสร็จยังไม่จบเพราะฉะนั้นความเหนื่อยยาก ความท้อแท้ใจบังเกิดขึ้นกับเอลียาหผู้รับใช้ของพระเจ้าในข้อที่สครับได้เขียนชัดเจนว่าเอลียากลัวจึงหนีเอาชีวิตรอดมีหลายท่านนะครับถามผมว่าทําไมเอลียาถึงกลัวในขณะที่เขามีพระเจ้าเป็นแบ็คอยู่เต็มเต็มเขามีประสบการณ์ที่พระเจ้าช่วยเหลือเขาเขามีเหตุการณ์ต่างๆที่เป็นเรื่องราวฤลิตฐานุภาพลิตเดชยิ่งใหญ่การอัศจรรย์ของพระเจ้า ที่ทําผ่านชีวิตของท่านแต่ในที่สุดท่านเองก็เจอคําขู่และคุกคามของผู้หญิงคนหนึ่งคือผนางเยเซเบลนี้เอลิยาต้องหนีเอาตัวรอดครับไปยังเบเอเชบาพฤติกรรมของเอลิยานั้นก็เหมือนกับผู้รับใช้หรือพวกเราทั้งหลายทุกคนเหมือนกันว่าความกลัวนั้นทําให้เราทั้งหลายนั้นท้อแท้ใจ ความเหนื่อยอ่อนเหนื่อยยากลําบากทําให้เราทั้งหลายท้อแท้ใจการที่เราทั้งหลายหมดเรี่ยวหมดแรงหรือเบิร์นเอาท์ทำให้เราทั้งหลายท้อแท้ใจซึมเศร้าครับซึมเศร้าถึงขนาดที่ว่าขอพระเจ้านั้นได้เอาชีวิตของข้าพระองค์ไปเถิดข้าพระองค์ทนมาม า, มากพอแล้วไม่ชนะสักทีและนี่ครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเอลียาผู้รับใช้ที่สัตซ์ซื่อของพระเจ้าพี่น้องครับเราจะเห็นว่า การที่คนเราที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้านั้นมีความกลัวก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เป็นเรื่องธรรมดาครับเวลาที่คนอยู่ในสนามรบเป็นเวลานานเพราะฉะนั้นเอริยาต้องการการรีทรีตจากพระเจ้าต้องเข้าสู่การเข้าเงียบกับพระองค์ฉะนั้นนี่คือเคล็ดลับของการที่เราจะได้รับกำลังเสริมกำลังเดี่ยวแรงใหม่ เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรีเขาจะเดินและวิ่งโดยไม่เหนื่อยเปรี้ยและอ่อนล้านั่นแหละครับคือสิ่งที่พระกมพีกำลังสอนเราถ้าถามว่าประสบการณ์นั้นทำให้เราเข้มแข็งขึ้นใช่ไหมก็ไม่แน่ครับสิ่งที่เราเห็นเรื่องการอัศจรรย์ทำให้เราต้องยืนหยัดต่อไปได้ตลอดสุดๆไหมก็ไม่แน่ครับแต่การที่เราถูกคุกคามและเรากลัว และหลายสิ่งและอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นอาจจะทําให้เราท้อแท้ใจแต่หากว่าเราได้รับการรีทรชจากพระเจ้าได้รับการเสริมเรียวแรงใหม่จากพระเจ้านั่นแหละครับคือคําตอบทําให้ผู้รับใช้ของพระเจ้าประกาศศกของพระเจ้าผู้เผยวระจนะของพระเจ้าก็สามารถดําเนินชีวิตอยู่ในน้าพระทัยของพระเจ้าและการทรงเรียกของพระเจ้าและภารกิจมิชชั่นที่พระเจ้าได้ประทานกับเขานั้นดํารงอยู่ต่อไปได้ พี่น้องครับคำว่าเอลียากลัวจึงหนีเอาชีวิตรอดนั้นมีความหมายมากทีเดียวสำหรับหัวใจของผู้รับใช้พระเจ้าอย่างเอลียาท้อใจได้นะครับแต่ไม่ถอยเราอาจจะมีอาการหมดแรงได้เราต้องรับการ retreat การเสริมเรี่ยวแรงใหม่จากพระเจ้าต้องถอยหลังเข้าสู่พระเจ้าครับเอลียาแม้จะมีชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่ภูเขาคาเมล แต่ได้รับการสำแดงอย่างชัดเจนว่าพระเจ้าของเขาเป็นพระเจ้าที่เหนือฟ้าสวรรค์มีฤทธนุภาพสูงสุดเป็นผู้ที่สร้างฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกเป็นแหล่งแห่งพระพรของอิสราเอลแต่นางเยเซเบลนั้นกลับไม่เกรงกลัวไม่เกรงขามและขู่อาหับก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเขาไม่เต็มใจหรือไม่สามารถห้ามปามนางได้ดังนั้นเอรียก็รู้ว่า สาเหตุสำคัญที่ทำให้อิสราเอลทิ้งพระเจ้านั้นยังคงแผงฤทธิ์อยู่และชีวิตของเขาเองก็อยู่ในอันตรายในที่สุดเขาตัดสินใจด้วยความกลัวหนีครับภาษาอังกฤษนั้นใช้คำว่า exhortedexhorted Ex แปลว่าหมดเรียวหมดแรงเพราะฉะนั้นเขาก็นอนหลับอยู่ใต้ต้นซากใต้ต้นซากนั้นภาษาอังกฤษเรียกว่า juniper tree ใต้ต้นซากนั้นพระเจ้าก็ได้ให้ขนมปังร้อนๆนะครับ ซึ่งวางอยู่บนก้อนหิ น, น, นร้อนๆเป็นโทสเป็นขนมปังผิงใ น, ในขณะเดียวกันครับก็มีน้ําเหยือกหนึ่งอยู่ข้างศีรษะทูตสวรรค์มาแตะต้องตัวเขาเสริมกําลังเรียวแรงเขาให้เขาลุกขึ้นรับประทานอาหารและเขารับประทานอาหารแล้วก็ล้มตัวนอนอีกพระกัมภีได้กล่าวว่าทูตของพระเจ้าก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งแตะต้องตัวเขาและบอกว่าจงลุกขึ้นและรับประทานอาหารเพราะการเดินทางครั้งนี้เกินกําลังของท่าน พี่น้องครับพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเยาว์วายเรเป็นพระเจ้าผู้จัดเตรียมการรีทรีตตให้กับผู้รับใช้ของพระองค์เมื่อผู้รับใช้ต้องการการรีทรีตตผู้รับใช้อยู่ในแผนการของพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้ทิ้งผู้รับใช้ครับพระเจ้ายังสนับสนุนผู้รับใช้ของพระเจ้าประกาศศของพระเจ้าที่จะให้เขานั้นได้ลุกขึ้นมาแล้วรับใช้พระเจ้าอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาจะต้องลุกขึ้นรับประทานและดื่ม ทำให้เขามีกำลังวังชาพอที่จะเดินทางไปในถิ่นทุรกันดาลเป็นเวลา40วัน40คืนจนมาถึงโฮเรบภูเขาของพระเจ้าพี่น้องครับโฮเรบนั้นก็คือภูเขาซีนายซึ่งเป็นภูเขาที่พระเจ้านั้นได้มอบพันธสัญญาให้กับโมเสสครับและโมเสสนั้นเขาก็เคยมีประสบการณ์เช่นเดียวกันขณะที่โมเสสนั้นต้องการการคอนเฟิร์มจากพระเจ้า ต้องการการที่พระเจ้าจะสนับสนุนและยืนยันการทรงเรียกบนภูเขาซีนนี่เองโมเสสได้รับประสบการณ์ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าก็คือโมเสสนั้นได้สัมผัสกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวโมเสสนั้นได้เห็นข้างหลังของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าเคลื่อนผ่านไปและครั้งนี้ครับเอลียาก็เช่นเดียวกันพระคัมีรช้งว่าเดอะเคฟหรือถ้ำนั้นพี่น้องครับถ้นั้นไม่ใช่ A เคฟนะครับแต่เดอะเคฟนั่นคือภาษาเดิม แสดงว่าอะไรครับก็แสดงว่ามีนัยสาคัญในการที่จะบ่งบอกว่าถ้ำนั้นเป็นถ้ำที่โมเสสนั้นได้เคยอยู่ที่นั่นและก็พบกับพระเจ้าเป็นหินผาเป็นช่องที่เป็นหลบเข้าไปในภูเขาและจากตรงที่นั่นเองครับโมเสสได้พบกับพระเจ้าและในเวลานี้เอเดียกำลังพบกับพระเจ้าเช่นเดียวกันพี่น้องครับ ในเช้าวันนี้เรามีบทเรียนหลายอย่างแต่ผมจะสรุปให้ฟังครับชีวิตของเอลิยาผู้รับใช้พระเจ้านั้นต้องการการรีแอฟเฟอร์มเอชั่นก็คือการยืนยันครับยืนยันการทรงเรียกยืนยันว่าพระเจ้าเป็นใครเมื่อผู้รับใช้พระเจ้านั้นพบกับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านั้นกําลังจะกลับคืนมาพี่น้องครับการรับใช้พระเจ้านะครับการที่ทํางานเพื่อพระเจ้าและการถูกข่มเหงการเกิด หลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นอาจจะทําให้ผู้รับใช้พระเจ้าท้อแท้ใจเพียงครับเราต้องรับการเสริมเรี่ยวแรงใหม่จากพระเจ้าการรอคอยพระเจ้าเป็นสิ่งสําคัญครับผมอยากจะจบในเช้าวันนี้ในพัมอิสยาอิสยาบทที่40ข้อ28จนถึงข้อที่31ครับท่านไม่เคยรู้หรือท่านไม่เคยได้ยินหรือพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าเนือนิด คือพระผู้สร้างที่สุดปลายแผ่นดินโลกพระองค์ไม่ได้ทรงอ่อนเปลี่ยหรือเหน็ดเหนื่อยความเข้าใจของพระองค์ก็เหลือที่จะยังรู้ได้พระองค์ประทานกําลังแต่คนที่อ่อนเปลี่ยและแก่ผู้ที่ไม่มีกําลังพระองค์ทรงเพิ่มแรงแม้คนหนุ่มๆจะอ่อนเปลี่ยและเหน็ดเหนื่อยและชายชากันจะล้มลงทีเดียวแต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระเจ้าจะเสริมเลี้ยงแรงใหม่เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรีเขาจะวิ่งและไม่เหน็ดเหนื่อย เขาจะเดินและไม่อ่อนเปลี่ยวพี่น้องครับเขาทั้งหลายผู้รอคอยพระเจ้าจะรับการเสริมเรียวแรงใหม่เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรีเขาจะวิ่งและไม่เหน็ดเหนื่อยเขาจะเดินและไม่อ่อนเปลี่ยวอเมน